ถามว่าทราบได้อย่างไรว่าพระนิพพานเป็นอสังขตธรรมรู้ได้ยังไง ร, รู้ได้ตามพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอาัชฉริสูตรอังคุตระนิกายอุทานนะนพิมพอิเป็นได้อย่างไงอิติพุตตะแต่ว่าจริงๆในในในอะไรนะในอุทานเนี่ยคุตการนิกายอุทานกล่าวว่าอธิภิขเวอัชาตังอภูตังอสังคตังเป็นต้นเนี่ยนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งที่ไม่เกิด ไม่ได้ไม่ได้มี ม, มีลักษณะอุปาทิฏฐิพังคะเนี่ยนะสิ่งที่ไม่เกิดไม่ปรากฏแบบรูปเสียงกลิ่นรสและไม่ถูกเป็นธรรมที่ไม่ได้ถูกปัจจัยเนี่ยตกแต่งสร้างขึ้นเป็นอสังขตะธรรมเนี่ยธรรมที่ดับปัจจัยมีอยู่ดูก่อนพี่สุทั้งหลายถ้าหากว่าอาชาตังอภูตังอกรตังอสังขตังเนี่ยนะคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ปรากฏไม่มีปัจจัยทําขึ้นมาเป็นธรรมที่ดับสังขตะมีอยู่ ถ้าหากว่าสภาวะแห่งนิพพานที่กล่าวไปแล้วไม่มีอยู่จริงไซาการสลับที่เกิดที่ปรากฏที่มีปัจจัยปรุงแต่งที่เป็นสังคตะก็จะไม่เพิงปรากฏในโลกนี้ได้เอางี้หน่อยถ้าไม่มีพระนิพพานเนี่ยการดับความเกิดความเกิดจะดับได้ไหมเมื่อความเมื่อนิพพานมีอยู่จึงดับการเกิดได้ เมื่อนิพพานมีอยู่จึงดับทุกที่มีอยู่ได้พูตะพูตะเป็นชื่อของขันธ์ห้าพูตะมีดังวิคเวเน่เนี่ยนะพูดเป็นชื่อของขันธ์ห้าถ้าไม่มีพระนิพพานเนี่ยการดับพูดคือขันธ์ห้ามีไม่ได้กตังเนี่ยเช่นกรรมเป็นต้นเป็นตัวสร้างพบสร้างชาติสร้างขันยัตตนะธาตุถ้าไม่มีสภาวะแห่งพระนิพพานเนี่ยไอจะไปดับกรรมที่สร้างพบสร้างชาติไม่ได้ ชารามรณะเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นถ้าไม่มีพระนิพพานเนี่ยนะไม่มีสภาวะแห่งพระนิพพานจะดับสังฆตาธรรมคือขันอาญตนธาธาตุไม่ได้เนี่ยนะอันนี้เป็นคําที่มีอยู่ในอุทานนิพพานสูตรเนี่ยนะมีมีนิพพานสูตรในอุทานมีอ่าปฐมนิพานานพานทุ ต, ติยานิพพานตัตยานิพพานจะตุถานิพนิพพานสูตรเป็นต้นก็คือในอุทานเนี่ยนะเล่มสี่สิบสี่ก็ไปดูเอา ขณะเดียวกันนิพพานเนื่องจากว่าเป็นอสังขตะธรรมนิพพานไม่ใช่สีใช้ตาเนื้อหรือตาทิพมองเห็นไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสีซึ่งใช้ดวงตาเนี่ยมองเห็นสิ่งที่ใช้ตาดูเนี่ยนะตาเนื้อตาทิพเนี่ยสิ่งนั้นต้องเป็นรูปารม์เนี่ยนะรูปอารม์นิพพานไม่ใช่รูปารม์เมื่อนิพพานไม่ใช่รูปารม์นิพพานจึงไม่ใช่อา ร, รมณปัจจัยของจักขุวิญญาณ หรือที่พจักสุยานเนี่ยนะที่พจักสุไม่ได้มีนิพานเป็นอารมณ์แต่มีรูปมีสีเนี่ยเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นนิพานนั้นไม่ใช่สูป่ารมณ์นิพานเนี่ยนะเนื่องจากว่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาวินิโพเขารูปแปดที่บวกกับเสียงเนี่ยนะเาเรียกว่าสัทธานวากะกลาบเนี่ยนะนิพานไม่ใช่สัทธานวากะกราบไม่ใช่เสียงไม่ใช่คลื่นเสียง เพราะฉะนั้นไม่ใช่นิพานเป็นสิ่งที่รู้ด้วยโสตะวิญญาณหรือที่โสตว่างั้นเนี่ยที่โสตะก็ฟังไม่ได้ยินนิพานขณะเดียวกันนิพานไม่ใช่ไม่ใช่อวินิโ婆ครูปที่มีประกอบไปด้วยคันทายตนะกลิ่นนิพานไม่ใช่ไม่ใช่รูปะไม่ใช่อวินิโ婆ครูปซึ่งประกอบไปด้วยกลิ่นนิพานไม่ใช่อวินิโ婆ครูปที่ประกอบไปด้วยรสระสารมเนี่ยนะนิพานไม่ใช่ปัทวีไม่ใช่อาโป ปนิพานไม่ใช่ปัตวีไม่ใช่เตโชและวาโยเพราะฉะนั้นบุคคลจะสัมผัสพระนิพานทางร่างกายไม่ได้วันนิพานเนี่ยนิ่มอย่างนั้นอุ่นอย่างนี้ไม่มีนะเรียกว่าใช้ใช้ใช้กายสัมผัสเนี่ยสัมผัสกับสภาวะพระนิพานได้เพราะฉะนั้นนิพานไม่ใช่เป็นใช้สิ่งที่ใช้ประสาทสัมผัสรู้ได้ประสาทสัมผัสเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใช้ไว้ใช้กับกามคุณ เป็นสิ่งที่เอาไว้รับรู้กามคุณแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอาไว้สัมผัสกับอสังคต ธ, ธรรมคือพระนิพพานเพราะพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่รู้ได้มันด้วยมโนวิญญาณจิตที่รู้พระนิพพานเป็นอารมณ์ได้คืออะไรคือมหากุศลญาณสัมปยุตอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองมหากิริยาญาณสัมปยุตมหาวิบากรู้นิพพานไม่ได้มหากุศลญาณสัมปยุตมหาวิบากญาณสัมปยุต อภิญญาจิตเนี่ยนะอภิญญาจิตบางอย่างจึงจะมีพระนิพานเป็นอารมณ์ได้มัคจิตผลจิตเท่านั้นแหละที่มีพระนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะจิตเราเนี่ยคือโทษนะมหากุสัญญาณสัมปยุตชนิดพิเศษที่เป็นโคตรภูญานหรือที่เป็นปัจเจกขณะญาณเ น, นี่ยนะชั้นสูงมากๆเลยแล้วก็มหากิริยาญาณสัมปยุตนะแล้วก็อภิน ญ, ญาจิตบางอย่างอภิน ญ, ญาจิตบางอย่าง แล้วก็สุดท้ายก็คือโลมัคจิตและผลจิตเท่านั้นที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์มันจิตอื่นๆไม่ใช่ว่ามโนวิญญาณทั่วๆไปแล้วโลภะจะสัมผัสกับพระนิพพานได้ไม่ได้โลภะไม่รู้พระนิพพานแต่ได้ยินโลภะเนี่ยได้ยินชื่อนิพพานได้ยินไหมได้ยินแต่ไม่เข้าใจในสภาวะของนิพพานโทสะเนี่ยนะก็พูดคําว่านิพพานได้ได้ยินนิพพานได้แต่โทสะจะไม่เข้าใจสภาวะของ นิพพานไปนิพพ า, า, า, า, า, า, านที่ไหนก็ไปซะเนี่ยพูดด้วยความโกรธเนี่ยได้ยินไหมบางคนเนี่ยมันโมโหว่าฉุนเฉียวว่าเอาเข้านิพพานที่ไหนก็ไปเธอเนี่ยนะแปลเป็นภาษาไทยอีกรอบว่าไปตายที่ไหนก็ไปเธอเนี่ยนะนิพพานบางทีเนี่ยคนสมัยใหม่เข้าใจว่าตายนิพพานไม่ตายนิพพานไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตายแต่นิพพานแปลว่าอามตะเป็นสิ่งที่ดับความตายคนทั่วๆไปในเรียนธรรมะไม่ดีแปลนิพพานว่าตาย พระพุทธเจ้านิพานแล้วนี่นะก็แปลว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วเหมือนนนิพานไม่ใช่ตายสัุปาทิเศ ส, สนิพานอนุปาทิเศสนิพานอันนั้นเป็นชื่อของสังขารธรรมไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อของนิโรธสัจจะไม่ใช่ชื่อของสภาวะของพร ะ, ะนิพานเนี่ยนะที่บอกว่าพระองค์ดับกิเลสได้แล้วเนี่ยนะสัพปาทิเศสนิพานอนุปาทิเศสนิพานพวกนั้นเป็นชื่อของขันธ์ห้าทั้งนั้นแหละไม่ใช่เป็นสภาวะของนิพานที่เป็น นิโรธสัจจะเนี่ยนะแต่ที่เป็นนิโรธสัจจนั้นเนี่ยเป็นอสังขต ธ, ธรรมเนี่ยนะเมื่อกี้ก็อ่านธรรมคุณธรรมคุณที่เราอ่านในธรรมานุสติที่ยกมาจากเนติปกรณ์เนี่ยนะโดยมากเป็นชื่อของนิพพานโดยปริยายต่างๆมันใครที่คิดว่าจะบรรลุนิพพานเนี่ยนะก็มาแนะนําให้อ่านธรรมานุสติบ่อยๆอยากบรรลุเหลือเกินเนี่ยนะอย่างคุณปุณจูบรรลุแน่เนี่ยนะอ่านธรรมานุสติไปท่องให้จําเลย เนี่ยสิ่งที่เราบรรลุมเป็นอย่างงี้เพราะไม่งั้นเนี่ยไม่รู้ว่าบรรลุอะไรเหมือนกันนะนะใช่ไห้หน้าอ่านนะหน้าสามสิบสี่ที่อ่านเมื่อกี้เนี่ยต่อไปว่าจะอ่านให้มากขึ้นจะได้เจริญธรรมานุสติเป็นเนี่ยนะเป็นธรรมที่หายจากความเมาในความเป็นอตตามอย่านะคือถ้ารู้นิพพานแล้วนะมันจะเลิกความคิดแบบอตตามจะเลิกหมดอนะ เป็นธรรมที่กำจัดความกระหายคือตันหาถ้าบรรลุนิพพานแล้วหายหิวในรูปเสียงเปลี่ยนรสโภภาพธิภะแน่นอนเป็นธรรมที่ถอนอะไรคือตันหาอย่างไม่เหลือเนี่ยนะถ้าบรรลุนิพพานถอนรากคือโลภะได้แน่แหมอาจะพ่อยังไม่เห็นนิพพานนี่แหละจึงถอนรากคือโลภะไม่ไดนะ้เป็นธรรมที่ตัดกวัตฏะการวนเวียนเนี่ยนะพันธาจะดับชาติก็ต้องดับที่กรรมถ้าดับที่กรรมก็ดับที่กิเลสพัน้าตรัสรู้นิพพานต้องละกิเลสได้แน่นอนนัะ เป็นธรรมที่ได้โดยยากอย่างยิ่งโอ้คนไม่มีบุญนี่หมดสิทธิ์เลยแบบนั่นต้องเป็นพิเศษนะเป็นเรื่องของคนมีบุญเป็นธรรมที่สิ้นไปแห่งตันหาเพราะถ้ารู้จักพระนิพพานตันหาสิ้นเลยหมายคือว่าพอเห็นนิพพานตั้บเนี่ยนะเลิอกอยากเลยนะเลิกตันหาไม่เอาแล้วหนวะันเป็นธรรมที่ดับทุกเนี่ยนะใครที่ทุกทั้งหลายความทุกทั้งหลายไม่ใช่ชื่อของนิพพานเป็นธรรมนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกขนั้นผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานก็สงบจาก วัตทุคดโดยประการทั้งปวงพระนิพพานเป็นอสังคตธรรมนะนะเป็นธรรมที่ดับวัตถามันน่ยพระนิพพานเป็นสิ่งที่ไม่มีเสียหายคําเสียหายเอาไว้ใช้กับรูปเวทนาสัญญาสังข า, ารและวิญญาณนิพพานไม่ใช่สภาวะที่มีรูปเวทนาสัญญาสังข า, ารวิญญาณนิพพานจึงไม่มีความเสียหายนิพพานไม่มีอาสวะเพราะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะไม่ต้องการนิพพานอาสวะไม่สนใจนิพพานหรอกพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ จริงแท้มีอยู่จริงแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะคือสันติลักษณะเนี่ยนะลักษณะที่สงบประณีตเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและนิพพานเป็นธรรมที่ทําให้สงบความเร่าร้อนเนี่ยนะความร้อนด้วยราคะร้อนด้วยโทสะร้อนด้วยโมหะร้อนเพระชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมณัสเลอุปายาตก็ดับไปหมดสิ้นนะ พระนิพพานเนี่ยนะเป็นธรรมที่ละเอียดเนี่ยนะปณีตะก็แปลว่าประณีตละเอียดเนี่ยนะแล้วก็เป็นธรรมที่เห็นได้ยากอย่างยิ่งเป็นธรรมที่ไม่มีการเกิดและความแก่เพราะอะไรเพราะเป็นธรรมที่ดับความเกิดและความแก่ตัวนิพพานเองเนี่ยไม่มีการเกิดขึ้นโดยสภาวะไม่มีการชราโดยสภาวะนิพพานเป็นธรรมที่เที่ยงนิจจะเนี่ยนะนิจจะคือเที่ยงเพราะอะไรเพราะไม่มีสภาวะแห่งอนิจจะอยู่ในตัว นิพพานนั้นเป็นธรรมที่ไม่เสียหายไปด้วยความแก่และความตายในยพวกเราตายแล้วนิพพานก็เลยตายเลยเนี่ไม่มีแล้วก็เป็นธรรมที่เห็นได้ด้วยตาปัญญาเนี่ยนะจักษุยานปัญญาวิวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่านี้นิโรด น, น, นี้ทุกข์นิโรดนี่นะเพราะฉะนั้นนิพพานนั้นจึงเป็นอารามณปัจจัยของ ญาณจักสุเรียกว่าตาปัญญาเนี่ยนะในธรรมจักนะในธรรมจักญาณจักสุนิพานนั้นเป็นธรรมที่ปราศจากตัณหาที่ขยายวตาัตตเคราวว่าถ้าตรัสรูน้นิพานแล้วก็ตัณหาไม่พาสร้างวัตตะอีกต่อไปแล้วนะเลิกสร้างพบสร้างชาติสร้างวัตตะเป็นต้นและนิพานเป็นธรรมที่สงบเพราะไม่ปนด้วยคือความไม่สงบเนี่ยเป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทั้งหลายอันนี้ไม่สงบแต่นิพานเป็นธรรมที่สงบ แล้วก็นิพานเป็นธรรมที่ไม่ตายเพราะนิพานเป็นธรรมที่ทําให้พ้นจากความตายดับความตายนิพานเป็นธรรมที่ประณีตเนี่ยนะอ่ะอมะตังปณีตังนะในรัตนสูตรใช่ไหมขยังวิราคังอมตะตังปณีตังยัตถชคาสกยามุนีสมาหิโตนาเตนธรรมเมนะัสมาธิกินจิอ่ะนะที่ทำปีธรมเมรัตนางที่บอกว่าอ พระนิพพานใดอันเป็นธรรมที่สิ้นกิเลสเป็นธรรมที่คลายกิเลสเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมประณีตอันนั้นในรัตนาสูตรนะในธรรมธรรมคุณน่ะท่าพระนิพพานนั้นจึงเป็นธรรมที่ประณีตเป็นธรรมที่ทําความเกษมทําความเกษมก็คือว่าตัวนิพพานนั้นปลอดภัยเขมังเนี่ยนะก็ปลอดภัยเป็นธรรมที่สิ้นตัณหาเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์เป็นธรรมที่ไม่มีภัยอันตรายหมายว่าถ้าตรัสรู้นิพพานแล้วก็เลิกกลัวแล้ว ไม่มีอะไรจะน่ากลัวอีกต่อไปแล้วว่างั้นเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่มีอันตรายหมายความว่าถ้าตรัสรู้นิพผ่านแล้วก็ไม่มีเหตุใดที่จําต้องให้คิดว่าอันตรายแล้วสรุปพระนิพพานนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วสภาวะดังกล่าวไปนี่คือสภาวะของพระนิพพานบอกปราทานะจั บ, บรรลุก็คือต้องการจับบรรลุสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะ เรียกชื่อไว้ก่อนก็ดีไว้อุ่นใจหน่อยนะจำชื่อได้ก็ยังดีไว้อุ่นใจบางทีอยากกระ บ, บรรุนนี่ผ่านชื่อยังจาไม่ได้เลยเนี่ยนะเนี่ตรงเนี้มันน่าหนักใจมากๆเลยขอบรุนไปตั้งอยากบรุนเหลือเกินเนี่ยนะตั้มท่องชื่อพวกนี้ไว้นะพอมาจะไปจําให้ได้เ น, นี่ยนะสามสิี่สาต้องไปท่องให้มันได้แน่ยอหนะ่ะต้องได้พรามันจะได้รู้จักชื่อไว้ก่อนก็ยังดีนะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามไว้ก็ไนก็ยังดีเผื่อจะได้บรุสักวันหนึ่งนะเพราะทำบุญแล้วก็ เวลาปราถนาวอกขอจงเป็นไปเพื่ อ, อนิพพานที่หายจากความเมาในความเป็นอัตตาเพื่อให้ได้บรรลุพระนิพพานที่กําจัดความกระหายคือตัณหาเป็นต้นเนี่ยจะไหนมาท่องให้มันตรงตัวหน่อยไม่งั้นก็ปรารถนาเลื่อนลอยแบบนั้นก็บอกแม้ต้องการนิพพานว่าเอาเลยไหมมันนี้เอาเลยไหมไม่เอาบางทีกลัวเพราะบางทีนิพพานคนไปเข้าใจว่าตายเข้าเนี่ยนะนท่านนิพพานเนี่ยสภาวะดังกล่าวไปเรามาว่าอย่างน้อยก็ไปท่องให้มันจําให้ได้นะ แล้วก็เป็นธรรมที่ไม่มีความโศกบอกว่าใครที่แหมดอกโศกมันบานอยู่ในหัวใจบ่อยเหลือเกินเนี่ยนะถ้ารู้นิพานก็เลิกโศกแล้วเนี่ยนะท่านิพานปเป็นธรรมที่ดับความโศกไม่มีความโศกปราศจากความโศกและไม่มีใครจัดแจงสภาวะของนิพานได้เนี่ยนะไม่ใช่มีใครจัดแจงสร้างขึ้นนะนิพานนั้นไม่มีใครจัดแจงนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว แล้วก็พระนิพพานนั้นถือว่าเป็นอารมณ์ที่ลึกซึ้งของยามที่ลึกซึ้งก็เรียกว่าปัญญาแคบๆปัญญาแบบอะไรนะปัญญาเข็มทั้งหลายเนี่ยเจาะพระนิพพานไม้เข้าแน่นอนปัญญาเล็กๆ เ, เหมือนเข็มเนี่ยนะายการวิจัยทําปริญญาเล็กน้อยเนี่ยนะคิดยุมคิดยิม้มคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยบรรลุไม่ได้หรอกนิพพานนะแล้วก็เป็นธรรมที่เห็นได้ยากเนนะเป็นธรรมที่ก้าวล่วงพนโลกทั้งกาลมาโลกโลกไปโลกแลย อารมูโลกเนี่ยนะพ้นจากโลกโลกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพ้นจากโลกหนึ่งคือสัพเพสตตาหารติติกาพ้นจากโลก2คือนามรูปนิพานเป็นธรรมที่พ้นจากโลก3คือเวทนา3เนี่ยนะพ้นจากโลก4ี่คืออาหาร4ี่เพราะนิพานไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยอาหาร4ี่นิพานเนี่ยพ้นจากโลก5คือขันห้านิพานเนี่ยพ้นจากโลก6คืออายตนะภายใน6วิญญาณพ้นจากวิญญาณทิฏฐิเจพ้นจากโลกกระทำแปพ้นจาก สัตวตาว่าเก้าพ้นจากอายตนะสิบพ้นจากอายตนะสิบสองพ้นจากธาตุสิบปดนิพานไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แต่เป็นธรรมที่ดับโลกทั้งหมดเหล่านั้นเขาเรียกว่าโลกา น, นิโรธเป็นธรรมที่ดับโลกเนี่ยนะเป็นไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอีกแล้วนิพานังปรามังวันติพุทธาพระพุทธเจ้าทัท้งหลายทั้งสาวกกับพุทธเจ้าปัจเจกับพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยบอกว่านิพานังปรามัง นิพพานนางประมังวัฒนติพุทธา aisse. พระพรุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระสาพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สาวกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กล่าวว่านิพพานเป็นยอดทั้งนั้นเน่ยเป็นปรตรมัส น, นะนะประมาส์มันสุดยอดไม่มีอะไรจะสุดยอดเท่ากับพระนิพพานมันพระนิพพานจึงไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าแล้วเป็นธรรมที่ไม่มีอย่างอื่นเสมอเหมือนไม่ต้องเอาอะไรไปเปรียบหรอกเครียกอับอะเรียก อ, อนุประมาเนี่ยนะไม่มีอะไรเอาไปอุปมาได้ ตัวมันเองเนี่ยนะนิพานบอกเหมือนสีเหมือนเสียงเหมือนกลิ่นเหมือนรสอุปมาไม่ได้เป็นธรรมที่ประเสริฐและบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญกันทุกองคบัณฑิตจริงๆจะสันเสริญสภาวะพระนิพานและเป็นธรรมที่หลีกเล่นจะหลีกเล่นจากสังคตะธรรมหลีกเร้นจากสังคตะธรรมและป้องกันป้องกันอะไรป้องกันพบป้องกันพบเป็นธรรมที่ป้องกันอบายทุกติวินิบาตถ้ายังไม่เห็นนิพานอยาคิดนะว่าจับตัวเองป้องกันเรียบร้อยแล้ว ก็ว่าไม่มีคาถาไหนป้องกันแน่นอนหรอกนะถ้าไม่ไม่ใช่สภาวะพระนิพพานเนี่ยป้องกันไม่ได้แน่นอนอนะป้องกันวัตฏะได้แน่นอนก็คือพระนิพพานและนิพพานไม่มีทุลีคือราคะโทสะและโมหะไม่เกลือกกล้วด้วยราคะโทสะและโมหะราคะโทสะโมหะรู้พระนิพพานไม่ได้เพราะนิพพานจึงไม่เศร้าหมองนิพพานไม่มีกิเลสแปลว่านิพพานไม่ใช่สิ่งที่เศร้าหมองและไม่มีอะไรทําให้พระนิพพาน เศร้ามองได้นิพานเป็นธรรมที่ไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงไม่มีโทษใดๆที่จะมาจากพระนิพานเนี่ยนะเป็นธรรมที่ปราศจากมนฑินคือมนฑินคือราคะโทสะและโมห oh ะเพราะถ้าตรัสรู้นิพานแล้วดับมนฑินคือราคะโทสะโมหะและเป็นธรรมที่เป็นเกราะเกราะนี่แปลว่าป้องกันไงเกราะนี่เป็นธรรมที่ป้องกันนิพานป้องกันอันตรายใดๆทั้งหมดเนี่ยนะและก็เป็นธรรมที่เป็นสุขนิพา น, นังประมัง สขังนิพานนี้เชื่อว่าเป็นธรรมที่เป็นสุขเป็นธรรมที่ไม่มีประมาณอัปปามณาธรรมเป็นธรรมที่อัปปามณะเนี่ยนะอัปปามณะคือไม่ใช่ปริตะและไม่ใช่มหคตะแต่เนื้อปริตะและมาหกคตะคือเป็นอัปปามณะเป็นธรรมที่ไม่มีประมาณเนี่ยนะจะบรรลุธรรมที่ไม่มีประมาณเนี่ยต้องทํำยังไงจริงจงะบรรลุระดับนั้นได้ท่านิพานเนี่ยพึ่งได้จริง เงี้ยนพึ่งได้จริงๆเนี่ยนะซึ่งในวัดตาเนี่ยมันพึ่งไม่ได้เลยวัดตะนี่เป็นอาศรณะโตใช่ไหมพึ่งไม่ได้แม้แต่อันเดียวเอาร่างกายของเราพึ่งอะไรได้บ้างพึ่งฟันต้องพึ่งหมอฟันอีกรอบหนึ่งไอแล้วหมอฟันก็พึ่งอะไรทีหนึ่งก็พึ่งฟันอีกทีแล้วฟันกับหมอฟันก็ต้องพึ่งหมอฟันอีกรอบหนึ่งนะม่สรุบกระดฟันยังพึ่งไม่ได้ว่ามันแข็งเราพึ่งนด้นะทาไมเอาข้อจริงก็ไม่แน่นอนและวแล้วอะไรดีคนนี้ มันไม่เป็นเกราะไม่มีอะไรจะเป็นเกราะป้องกันนะอ่าเข้าไปอย่างอื่นไม่มีอะไรพึ่งได้จริงเลยเนีพพ passed, พพ่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าก็ยังต้องเพึ่งพระนิพพานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้พระนิพพานที่ที่พระองค์อมตะตรัสก็เพราะพระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่พรตรัสรู้พระนิพพานแล้วนะจะไม่กังวลเลยไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานแล้วจะไม่กังวลด้วยราคะในรูปเลย แปลว่าเลิอกอ่ะเลิกกังวลในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโทสะพระได้สนิทใจเลยนะถ้าแต่สรู้พระนิพพานเนี่ยจะเลิกกังวลถ้าไม่บรรลุนิพพานเนี่ยอยากคิดนัว่าจะเลิกกังวลกังวลว่าชาติหน้าไปยังไงต่อไปคือมันอดกังวลไม่ได้นะเพราะยังเกี่ยวข้องกับธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความกังวลคือรูปขันห้าเนี่ยนะขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งความกังวลจริงๆเิงมนพระนิพพานนั้นไม่ประกอบด้วยตัณหามาณทิฏฐิที่ขยาย วัตตะที่สร้างวัตตะก่อวัตตะให้เนื่นช้าในวัตตะนั้นอันนี้เป็นเชื่อของพระนิพพานทั้งหลายที่พระหมหากัจยนะกล่าวเอาไว้เนี่ยนะถ้าในปฏิสัมพิธามะ ก, ก็จะบอกว่านิพพานเนี่ยคืออะไรนิพพานคือธรรมที่ดับความเกิดเนี่ยนะอชฉตะนิพพานก็คือดับความแก่คืออัชารานิพพานดับพยาธิคืออัพพยาธิเนี่ยนะนิพพานก็คืออมะตะดับความตาย หรือนิพานอโศกะดับความโศกอนุปะก็เรียกว่าอานุปายาสะคือไม่มีความคับแค้นใจนิพานนั้นอ่ะเป็นอะไรนะเป็นอมต ะ, ะ, ะ, ะนิพานนี่เป็นเขมังเนี่ยนะเป็นของกเกษมเป็นสุขขังเป็นธรรมที่เป็นสุขอนิมิตตาอนอ่ะอนิมิตตาอนายูหะณะอัปปวัตตาอสังขตะอมตะพวกนี้ทั้งหมดนี้เป็นชื่อของนิพานเนี่ยนะนันก็ ศึกษาพระนิพพานเยอะๆก็ดีเหมือนกันเราจะได้ตั้งความปรารถนาถูกว่าเออเราต้องการแบบนี้นะเน่ยนีแต่ถ้าอ่านอะไรนะอ่านธรรมานุสติก็อุเบกขาสหคตังนี่ก็ไม่ได้มีศรัทธาสักเท่าไหร่หรอนะแล้วก็ปรารถนานิพพานค่อนข้างเลื่อนลอยสรุปว่านิพพานในความคิดของคุณเป็นยังไงตอบอย่างงั้นนะเดี๋ยวเขามาถ้าใครถามในะต่อไปจะได้ธรรมานุสติให้ฟังเน่ยเนี่ยนิพพานที่อยากได้เป็นแบบนี้แหละนะ่ย ถ้าถ้าบอกว่าโอ้ยเนี่ยที่เขาที่นี่เขาปฏิบัติดีนะเขาปฏิบัติถูกอ่ะก็เอามารล่ทํามานุสติให้ฟังอะไล่ชื่อนี่ฟังเน่ยเขาบอกให้เราปฏิบัติให้ได้อย่างนี้จริงๆใช่ไหมอ่ะนะสมมติถ้าใครแบบไหนวัดผลอยากจะปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกไล่ทํามานุสติให้ฟังทั้งหมดแล้วข้อปฏิบัติที่สอนเนี่ยมันจะให้ได้รับผลลัพธ์อย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันให้ได้รับผลลัพธ์แบบนี้ได้จะปฏิบัติ นะใครแนะนําข้อปฏิบัติอะไรก็บอกมาเถอะไม่ว่ากันแต่สรุปว่าคุณให้ผลลัพธ์ได้อย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้จะใช้คณิตศาสตร์วิชาไหนสูตรคูณมาก็ช่างไปตั้งทฤษฎีปฏิบัติแบบไหนตั้งมาเลยสรุปมันให้ผลอย่างนี้ได้ไหมถ้าให้ผลอย่างนี้ได้ก็น่าปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าทําไปแล้วนะมันตรงกันข้ามกับที่พูดนี้ทั้งหมดเลยอะ่ะตรงกันข้ามแม้แต่คําเดียวก็ใช้ไม่ได้แล้วอย่าว่าทั้งหมดเลยนะตรงกันข้ามแม้แต่บทเดียวก็ไม่อันนั้นไม่ใช่เป็นข้อปฏิบททัติที่ถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยนะ เพระฉะนพระนิพพานนั้นก็เป็นสภาวะดังที่กล่าวไปพระเจ้ามีเดินก็ไม่ยอมนะพระคุนเจ้าถ้าหากว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ใช่สิ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนิพพานไม่ใช่ที่เห็นได้ด้วยจักรวิญญาณได้ยินได้ด้วยโสตวิญญาณรู้ได้ด้วยคานาวิญญาณรูไ Blues ้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณสัมผัสได้ด้วยกายะวิญญาณถ้าอย่างนั้นพระขุนเจ้า ก็เป็นอันว่าพวกท่านระบุถึงพระนิพพานอันไม่มีอยู่เป็นธรรมดาว่าเป็นสิ่งยุ่มีอยู่จริงสินี่ขายฝันกันมะไง น, นแะแปลว่าขายฝันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงพูดในสิ่งที่มันเลื่อนลอยสิทา่าขอถวายพระพรนิพพานเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนิพพานเป็นสิ่งที่รู้แจ้งได้ด้วยมโนวิญญาณเนี่ยนะรู้แจ้งด้วยอะไรด้วยโคตรภูญานด้วยมัคคิยานผลยานและปัจเวกขณะยานบางประเภท น, น, นิพานนั้นพระอริยาสาวกผู้ปฏิบัติชอบย่อมมองเห็นได้เห็นได้ด้วยอะไรด้วยอริยมรรคอริยมรรคเนี่ยทัศนัตโถเนี่ยนะมีอัดว่าเห็นพระนิพานและต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ประกอบด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนะเพราะอะไรเพราะผู้ที่จะบรรลุนิพานได้ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ประณีตคือโลกุตรจิตเป็นจิตที่ตรงเป็นจิตที่หาธรรมเครื่องกลางกั้นมิได้ เป็นจิตที่ปราศจากอามิตรเนี่ยนะไม่มีเหยื่อนะไม่มีเหยื่อคือตันหาเป็นต้นไม่มีเหยื่อคือรูปเสียงเป็นต้นเกลือกกลั้วอยู่ในจิตเหล่านั้นมันต้องเป็นจิตระดับมัคคจิตจึงแกตรัสรู้พระนิพพานได้เนี่ยนะนิพพานเป็นธรรมที่ตรัสรู้ด้วยมัคคจิตพลจิตนะนะพระเจ้ามิลินก็บอกพระกุณเจ้าถ้าเออก็พระนิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้อ่าขออภยัยก็พระนิพพานนี้เป็นเช่นกับอะไร มันเหมือนกับอะไรเนี่ยนะคือพูดแล้วยิ่งพูดยิ่งงงว่างั้นแต่พูดแล้วไม่เข้าใจว่างั้นทนันนพานเป็นสิ่งที่อาจเจมแจ้งว่าเป็นของมีอยู่จริงเป็นธรรมดาด้วยอุปมาทั้งหลายโดยประการใด พอท่านจงทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจพระนิพพานที่อาจแจ่มแจ้งได้ด้วยอุปมาทั้งหลายนั้นด้วยเหตุผลทั้งหลายเถอสุดท้ายก็บอกว่าเอออุปมาให้ให้พอฟังให้มันพอเป็นแนวเป็นเข้าเป็นโครงบ้างเถอสรุปแล้วุงงไปหมดนะนิพพานอย่างที่ว่าเนี่ยอุปมาได้ไหมอุปมาให้ฟังหน่อยเถอฮ้องยมไม่ต้องอุปม า, ม, ามั่งเข้าใจแล้วไหมนันมินิตพอเข้าใจแลนะ้วไหนันเก่อนครับไม่อยากรู้จริงๆว่านิพพานเป็นยังไจงจำนันมินิตเขามาถามนั่นดายอุปมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน นะพระนาคเษนก็ตอบว่าธรรมดาว่าลมเนี่ยมีอยู่จริงหรือไม่นะสิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยจำเป็นต้องเห็นไหมย mm. กาบอกว่าลมนี่มีอยู่จริงไหมบอกมีอยู่จริงพระคุณเจ้าขอถวายพระพรพระองค์แสดงให้ดูลมเนี่ยว่าลมเนี่ยมันสียังไง mm. เอมันรูปร่างรูปประพันธ์สันฐานของลมนี่มันเป็นยังไงลมนี่มันละเอียดหรือว่ามันหยาบมันยาวหรือมันสั้นอะ ให้แสดงลักษณะของวายโยธาโดยอธิบายเป็นสีใครทําได้วายโยธามันก็คือวายโยธามันไม่ใช่สีสีก็คนละอย่างกับธาตุลมเนี่ยนะอธิบายลมให้ฟังหน่อยที่มันเป็นยังไงพระคุณเจ้าใครๆไม่อาจจะระบุลมเนี่ยนะว่ามีสีมีสันฐานเป็นอย่างไรได้หรอกลมนั้นมิได้เข้าถึงโดยการจับด้วยมือ หรือบีบหรือคลําเอาได้แต่ถึงอย่างนั้นลมก็มีอยู่จริงมันคลําไม่ถู ก, กว่าลมเป็นยังไงนะแต่สรุปว่าลมมันมีอยู่จริงขอถวายพระพรมหาปพิธถ้าหากว่าใครๆไม่อาจจะระบุลมได้ซ้ายถ้าอย่างนั้นลมก็ไม่มีอยู่จริงสิเพราะมันแสดงให้ดูสีก็ไม่ได้วสีของลมมันเป็นยังไงกลิ่นของลมนี่มันเป็นยังไงแสดงก็ไม่ได้รูปพรรณสันฐานก็บอกไม่ได้ก็แสดงว่าลมไม่มีอยู่จริง พระคุณเจ้าข้าพเจ้าก็รู้อยู่นะเป็นของที่เสิมทราบอยู่ในใจของข้าพเจ้าแล้วว่านะใจของข้าพเจ้ารู้นะว่าลมมมีอยู่จริงแต่ข้าพเจ้าก็ไม่อาจที่จะระ บ, บุถึงลมโดยสีโดยสันฐานให้ดูได้นะมหาบาพิษ อุปมาชันใดอุปไมยก็ชันนั้นเหมือนกันนิพพานเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ใครใครก็ไม่อาจที่จะระบุถึงพระนิพพานโดยสีหรือสันฐานเป็นต้นได้คือสิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยนะบางอย่างมันก็เกินวิสัยของพวกเราเรานั่งอยู่ตรงนี้นะมันมีคลื่นกี่ชนิดอยู่ตรงนี้อคลื่นที่เรารับได้สมมติถ้าจะรับคลื่นตรงนี้เลยนะ มันมีกีดพันล้านชนิดที่มันมีคลื่นอยู่ตรงนี้ที่เราไร้ความสามารถที่จะรับรู้ว่าอันนี้คลื่นอย่า ง, างเช่นคลื่นเสียงคลื่นสีคลื่นต่างๆอาจารย์วินิจคลื่นอยู่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีเยอะไหมเอาเครื่องมาตั้งนะรับเสียงรับรับอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะถ้ามีเครื่องอุปกรณ์ที่พอจะรับสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงเอ่อไม่มีอยู่จริง สิ่งในโลกนี่เอาจริงๆอ่ะสิ่งที่เรารู้จริงรู้อะไรบ้างเอามีจักรวิญญาณนั่งทำตาเปรีบๆอ่ะนะเคยเห็นอะไรม้างยังไงเนี่ยนะมีโสตวิญญาณได้ยินแววๆเนี่ยนะมีความคิดที่มันคิดไปเรื่อยเปลยเนี่ยจริงๆแล้วมันรู้อะไรบัางรู้แล้วพ้นทุกข์อ่ะนะนีะ่มีแต่รู้ว่าโอ้ฉันมีวิธีคิดและทําทยังไงฉันจะต้องลําบากใจเนี่ยนะอันนี้เต้นมากเลยง่ายมากเลนะคิดให้มันหนักใจเนี่ยแป๊บเดียวชํานาญเลยใช่ไหมแต่ถ้าหนักใจแล้วคิดให้สบายใจเนี่ยแม่มันยากเลย เนะนะไม่เชื่อลองฟุงฟ้งซานหน่อยนะคิดให้มันสบายใจเดี๋ยนะง่ายัหมไม่ง่ายเลยน ะ, ะเพราะฉะนั้นก็สรุปในตอนท้ายบอกสาธุดีจริงพระคุณเจ้านากเกษนรท่านชี้แจงอุปมาได้ดีแล้วท่านแสดงไขเหตุผลได้ดีแล้วขราพระเจ้าขอรับตามคำที่กล่าวมานี้อย่างนี้ว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกสภาว ะ, ะสภาวะทั่วๆไป ส, สร้างขึ้น ไม่ใมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสร้างขึ้นเป็นธรรมที่สงบวัตตะทุกได้จริงๆ น, นะ